ก็ความเจริญในธรรมจ ะ, มะงมีแต่ท่านผู้ฟังเท่าไรแต่ล่มพระโพธิญาณในวันนี้ก็คงประรบเรื่องจุดเด่นที่ควรสนใจในปฏิจจสมบาทหรือปัจจัยาการในช่วงต่อไปอประเด็นต่อไปนั้นคือการแสดงธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันมีลนะักษณะหยาบกลางละเอียดแตงกล่าวไว้ในวันก่อน เพราะปฏิจจสมบัทบางทีเนี่ยมันก็แสดงในรูปของตัวคนแต่เราสังเกตเราจะเห็นว่านั่นก็คือกระบวนการของปฏิจจสมบาทแต่บางครั้งเนี่แสดงถึงเขาเรียกว่าสุทธธรรมาประวัติันติเป็นกงล้อของธรรมล้วนๆไม่ได้เกี่ยวกับคนกับสัตว์กับชีวะอะไร แ, แสดงว่ามีความลึกซึ้งมาก ทีนี้บางครั้งบางคราวในเรื่องเหล่านี้ยถ้าเราแยกไม่ออกไม่เข้าใจว่าธรรมะตรงนี้เป็นสม ม, สจจรรมติสัจจะหรือปรมัิตยสัจจะมันก็มีปัญหาในภาคสนามายากตัวอย่างเช่นเราได้ยินพระพุทธภาษษสิทธิ์สองประโยคอัตติอัตโนนาโถตนแหลเป็นที่พึ่งของตัน กับรูปังพิกเวีนัตตาดวก่อนพิสูจทั้งหลายรูปเป็นอนัตตาชักยุ่งเลยก็ไหนว่าไม่ใช่ตัวเช่ตนไหนว่าตนเป็นตีพึ่งของตนนไหนบอกว่าไม่มีตนมายความไม่ยังไงอันนี้คือเป็นการแสดงความจริงคนระดับกันคนตนเป็นตีพึ่งของตนก็จริงในแง่ของสมมติปัญญา ในความเป็นสมมุติบัญญัติเนี่ยมันมีตนมีของตนมีเรามีของเรามีพวกเรามีของพวกเรานั่นคือโลกคือชีวิตคือสมมุติเขาเรียกว่าโลกก็สมมติโลกสมัญญาโลกโวหารโลกกนิรุตโลกกับภาษาโลกกับบัญญัติเมื่อบัญญัติว่าอย่างนั้นก็คืออย่างนั้นเนี่ยเขาบอกว่าถ น, นนนี้วิ่งทางเดียวก็คือทางเดียว ทางนี้ห้ามผ่านก็คือห้ามผ่านเป็นไม่บางกันนีเนี่ยเราต้องยอมรับในกฎตรงนั้นแต่ว่าในแง่ของความจริงที่สมบูรณ์ที่สุดคือความจริงระดับระนีนี่มันไม่มีตัวตนมาตั้งแต่ตน้นพตัวตนนั้นจะถามมาตรงไหนคือตัวตวนเราก็ตอบไม่ได้ว่าตัวตนมันอยู่ตรงไหนตัวตนมันต้องรวมกันทั้งหมด แล้วจึงสมมุติขึ้นได้ว่าเรียกว่าเป็นตรวตนเหมือนการเป็นบ้านเนี่ยเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นสัตว์เป็นคนมันเริ่มจากไม่มีอะไรแล้วเสร็จแล้วก็ค่อยมีขึ้นไปโดยลําดับพอถึงจุดหนึ่งก็คือแตกดับไปก็กลายเป็นไม่มีเหมือนเดิมคนสัตว์ก็มีลักษณะอย่างนั้นอย่างที่ตยามีลินสนทนากับาณากเกษตร ปัญหาตอนต้นๆนะฮะตอ น, น, น, น, นพบกันครั้งแรกเนี่ยปยามิลินถามว่าพระคุณเจ้าชื่ออะไรบอกชื่อนาเกษนว่าเพื่อนเรียกสิงเกษนบ้างสุรเกษนบ้างหมาเสษนบ้างนาเกษนบ้างแต่ว่าตอนเป็นพระนี่เพื่อนสัพพมจารีเรียกอัตมาภาพนาเกษนปยามิลินขอยืนยันว่าชื่อนาเกษนจริงท่านก็ยืนยัน แต่พญามิินก็จับมาทีละอย่างผมหรือชื่อวานากเกษนหูหรือชื่อวานากเกษตรจมูกหรือชื่อวานากเกษตอถามมาเรื่อยท่านก็บอกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มาตลอดพยามิลินถามในแง่ของสมมุติแต่ไปแยกส่วนออกในเชิงปรมัมภ์มันก็หาไม่ได้แต่เสร็จแล้วท่านก็โวยวายหาว่าพระนากะเกษตโกหก ปูจาสับตะบมาอยู่กร ะ, ะรองก็รอยเมื่อครู่นี้ก็บอกว่าชื่อนาคเกษแต่ว่าบอกว่าไม่ใช่นาคเกษพูดอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้ปนานาคเกษถ้าเป็นประหันเนี่ยท่านก็ไม่ว่าอะไรก็ถามว่ามาพบพิษเนี่ยเสด็จมาสู่สงไขยบริเวณนี้ด้วยอะไรก็มาด้วยรถมาบพบผิษยืนยันนะว่ามาด้วยรถก็ใช้ก็ยืนยัน ปนากเกษนก็แยกชิ้นส่วนของรถออกมาทีละชิ้นถามอันนี้หรือชื่อว่ารถนั้นหรือชื่อว่ารถมันก็ไม่ใช่รถอ่ะพัาญามิเรนก็บอกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เห ม, มือนกันปนากเกษนก็กล่าวข้อความเดียวกับที่ท่านกล่าวนะว่าเป็นพระราชารเนี่ยผู้จ่าผู้หกสับตรับมาอยู่กับรองกระรอยตะกี้เนี่ยพูดกันว่ามาด้วยรถแล้วเสร็จแล้วบอกไม่ใช่รถ พญามิรินก็บอกว่าก็พระคุณเจ้ามาถามแยกชิ้นส่วนอย่างนั้นมันจะเรียกว่ารถได้ยังไงอ่ะรถมันก็ทั้งหมดน่ะรวมแล้วว่าเรียกว่ารถสมมติเรียกว่ารถพระน้ากเกษตรท่านก็บอกว่าก็เหมือนการที่มาวพิถามาตมาภาพนะ่ะมาวพิถไปแยกชิ้นออมาทีละชิ้นอย่างนั้นถามมันก็ไม่เป็นเดี๋ยวต้องรวมทั้งหมดจึงเป็นหน้ากเกษตแล้วก็ที่จริงก็เป็นแบบสมมติด้านการการศึกษาบางครั้งเนี่ย เราไปเจอในเรื่องแบบนี้อย่างที่เขาเล่าเป็นเกร็ดกันนะฮะเล่าว่าสมัยสุเดจพุท ธ, ธาจารย์โตวัรคังตอนนั้นฝรั่งยังไม่รู้ว่าโลกกลุมนะฮะแต่ว่าที่จริงในพุทศาสนาวัตโตโลโกนี่โลกกลมมานานแล้วสรงอุปมาโดยผลมะขามป้อมพระเจ้าสงอุปมาเหมือนผลมะขามป้อมแล้วก็บอกลักษณะของโลกมันก็ตรงกันที่เราพูดในปัจจุบัน โลกอยู่บนอะไรนะฮะอยู่บนลมอยู่บนน้ําน้ําอยู่บนอะไรอยู่บนลมลมอยู่บนอะไรอยู่บนอากาศอากาศอยู่บนอะไรไม่ใช่ก็มาอยู่บนนั่นนะหือว่าบางการทะยอยเป็นชั้นชั้นชั้นชออกไปจนถึงสุญญากาศก็พูดกันเรื่องอนัตตาคือความเป็นอนัตตานี่ยในสมัยนั้นในทฤษฎีปรมาณูก็ยังไม่แพร่หลายอะไรทฤษฎีปรมาณูของไอน์สไตน์เนี่ยยังไม่แพร่หลาย ทฤษฎีสัมพัสธ์อะไรเนี่ยก็มันพูดไปพูดมาเนี่ยฝรั่งมันไม่มีพื้นอะเรื่องอนัตตาเนี่ยบอกเออถ้าไม่ใช่ตัวเชตนไม่ใช่ของตนไม่ใช่ตัวเชตนไม่เป็นตัวเป็นตนไม่มีตัวมีตนก็แสดงว่าผมก็ต่อยจะคุณได้แต่มันไม่ใช่ตัวจะคุณเนี่ยสมเด็จตังก็บอกว่าก็ได้ อาตมาก็เตะโยมได้เหมือนกันอาตมาก็บังคับมันไม่ได้นั่นคือกรอบของควาว่าอนัตตานี่เป็นภาษาที่ต้องอธิบายแล้วก็อธิบายสื่อประวัติศาสตร์ด้วยนะจะเกิดความเข้าใจหรือต้องอธิบายประวัติศาสตร์ความเป็นมาของควาว่าอัตตาตัว ต, ต, ตนให้ได้สักครั้เป็นความเชื่อเป็นทฤษฎีทางฤทธิที่สืบต่อกันมาของคนยุคโบราณนะ ความเป็นอนัตตาตัวตนเนี่ยแล้ในที่สุดก็ฝรั่งก็ยอมแพ้นะฮะแล้วท่านก็ลองอธิบายความอนัตตาเนี่ยมันหลายความหมายแต่เป็นความหมายระดับสูงสุดระดับแท้จริงในความรับบังคับไม่ได้เนี่ยก็ความหมายว่าอนตาัตตาในการเราไม่เป็นของเราจริงก็เป็นอนตัตตาในการเราไม่เป็นเราจริงก็ในความหมายของอนตัตตา แต่ไปย่อยอไปไม่มีตัวตนจริงก็เป็นในความหมายของอนัตตาเพรนิยามคือกรอบของคำว่าอนัตตาเนี่ยมันเป็นกรอบที่คุมหมดเลยทั้งสังขารทั้งวิสังขารหรือว่านี่เด็กมุ่งคนหนึ่งมันไปฝังพระเทศิศพระทิศเรื่องนี้ไตรลักษณ์เนี่ยไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราอะไรต่ อธิบายในแนวนาตาไอ้หนุ่มมันฟังแล้วกว่าแสดงว่าไม่มีอะไรเป็นของใครก็เลยพอเขาถวายกันเทศละลูกศิษย์วัดก็เอาไปเก็บที่กุฏิแกก็เดินตามไปแต่ถึงแกก็ยกออกมาพรก็ถามมาเอาไปไหน เขบอกก็ไม่รู้ตะกี้ทันเทศว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะงั้นผมเอาแล้าท่านบอกว่าก็เพราะไม่ใช่ของฉันนะทีฉันจึงให้ไม่ได้อันนี้ก็คือคือคือเราไม่เข้าใจว่าไม่ได้หมายความมาถ้าเป็นอนัตตาแล้วเนี่ยไปฆ่ากันไม่บาปมันไม่ใช่อย่างนั้นถ้าฟังคงนึกออกนะลัชิอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าสีมัดพระวัตคีตาอยู่ในคัมภีรหมหาภาระตยุทธ์ ก็หมากระมันไม่จะถึงคมภีร์แต่ว่าช่วงตรงนี้ช่วงที่เรียกว่าสีมัทพระกรวัดกีตาเนี่ยก็ถือว่าเป็นคัมภีที่เขาเคารพนับถือกันมาและคมภีร์เหล่านี้แนวตัวเนี้ยมันไปสู่คําสอนของว่าเจษฎที่สอนองค์ุลิมานนะฮที่องค์ุลิมานแกฆ่าคนโดยไม่รู้สึกสะดุ้งสะเทือนอะไรเลยเพราะแกคิดอย่างเงี้ยคิดว่ามันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวะ คนมันก็สักแต่ว่าวัตถุดาบก็เป็นวัตถุผู้แทงก็เป็นวัตถุที่จริงวัตถุมันแทรกกันไปในวัตถุไม่มีการฆ่าไม่มีผู้ถูกฆ่าไม่มีสิ่งที่ถูกฆ่ามันเป็นวัตถุแทรกเข้าไปในวัตถุไอ้คิดอย่างนั้นมาไม่ได้มันเป็นการทําลายสมมติสัจจะผสมมติสัจจะเนี่ยพระริยบุคคลท่านยิ่งเคร่งครัดนะเดี๋เคร่งครัดไม่ใช่แบบอุ ป, ปาทาน เคลมครับแบบเข้าถึงแกนแท้ความจริงของเรื่องดอกนั้นตอนเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราสังเกตว่ามันมันไม่มีปัญหาอะไรในในภาคจริงๆนะฮะในภาคจริงจริงแต่ว่าในแง่ของพระวิไนซึ่งเป็นสมมตินะฮะในแง่ของสังคมเนี่ยมันต้องมองเหมือนกันมีนางเทพธิดาองค์หนึ่งท่าน ไปทําบุญตักเข้าเข้าตอกันนะฮะกับพระหมหากัตปัดแล้วก็ทุง่งงูกะตายก็บังเกิดเป็นเทพธิดาสํานึกคุณของพระหมหาคัตปัดเวลาพระหมหาคัปะออกไปวินธบาทท่านเธอก็ออกมาดูแลกุฏิให้จัดบริเวณปัดกวาดร ะ, ะไายให้ทําความสะอาดให้จัดเครื่งใช้ไม่สอยไว้เรียบร้อยทุกวันทุกวันด้วยนะพระหมหาคัต ป, ปัดท่านนี้นก็ไม่มีเด็กไม่มีเนร์ น, นะนะใครมาจัด แต่ท่านก็แอบดูก็เห็นแล้วก็ไม่ให้ทาบอกว่าต่อไปเนี่ยคนจะยกเรื่องขึ้นมาพูดมาวิาพากษ์วิจารณ์มันจะเป็นความเสื่อมเสียแ้วถามว่าจิตใจของท่านเนี่ยจะมีความกําหนัดในทางเพศหรือเปล่ามันไม่มีหรอกท่านเป็นพระอาหารหันต์จิตใจของท่านเหมือนใบบัวที่ไม่ซึมซับน้ำเข้าไปได้ แต่ว่าในแง่สังคมล่ะในแง่ระเบียบกติกาสังคมตัวนี้เป็นเรื่องสมมุตินะแต่เรื่องสมมุติซึ่งเราต้อ ง, องยอมรับแล้วค่อนข้างละเมียดละไมเราได้ก็ปล่อยไปในปัญหาใหญ่มันจะเกิดเพราะอะไรเพราะว่าคนจะซุบซิบนินทาแล้วจะวิาพากวิจารณ์จนถึงก็มันขึ้นมาเนี่ฮะก็ด่าว่าพระทีนี้มันเป็นบาปแกคนเรา น, นั้นเนี่ยไปด่าว่าพระอระหรันต์ พูดเกินที่ตนเองสัมผัสคือมนุษย์นี่จะพูดเกินเรื่องที่ตนเองสัมผัสทนั้นโดยไม่รู้ว่าจริงๆเนี่ยเขาต้องรับผิดชอบเขาอย่างว่าในแง่ของพระเราก็เหมือนกันคือบางทีเนี่ยอย่างยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยเด็กวัดไม่เคยมีนะเพราะส่วนใหญ่แม้แต่อัตมาเองทีกุศเนี่ยมาล็อกกุญแจเวลาอยู่คนเดียวอ่านหนังสือทำงานเนี่ยเราจะล็อกกุญแจ คนบันดีพูดขึ้นมาเนี่ยไม่รู้ผู้หญิงผู้ชายถ้ผู้หญิงเราไม่มีเด็กเราก็ต้องรีหาเด็กไปก่อนให้เด็กมาก่อนมันก็ลำบาก น, นะทีนี้บางทีเนี่เราก็ไม่ได้ติดตลอดคนก็พูดเข้ามาเนี่ย เ, เราจะไปไล่ก็ได้ไงนั่นคือปัญหาแล้วว่าจริงๆรเนี่ยพระก็ต้องสงบมบวรระหว่างของขาอยู่แล้ว แต่ว่าในสถานการณ์อย่างนั้นนะมันก็ไล่ไม่ได้มันก็ต้องต้องค่อยออกมาแล้วก็เรียกเด็กหรือกดกลิ่งเรียกเด็กถ้าเด็กมีนะถ้าเด็กไม่มีมันก็ต้องหาวิธีวิธีที่พูดให้น้อยแล้วก็ให้โยมก็รีบกลับไปมันต้องรักษารักษาอะไรหลายๆอย่างมันไม่ใช่รักษาเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งซึ่งสถานการณ์เวลาไปเชิญหน้าเ น, นี่ย เป็นเรื่องค่อนข้างเปราะบางแล้วสมมติว่าในสถานการณ์อย่างนั้นเนี่ยมีอยู่คราวหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นคือคนก็ต้องการกัรโชคทรัพย์ของวัดวัดหนึ่งแล้วก็เข้ามาตีสนิทเชวนชวนทําอย่างนั้นอย่างนี้ท่านเป็นท่านจบปัญญาโทมาครูบาอาจารย์ท่านท่านไม่เล่นด้วยในสูตรก็ขอให้เป็นประธานทอดพระป่ า, ปา มาคุยอยู่ที่วัดแล้วก็รับท่านไปที่บ้านก็ผู้ชายตรงนั้นน่ยมารับจะว่าพอรับไปแล้วเนี่ปรากฏว่ามันมีแผนรายนิโมในช่วยดูโทรศัที่ตั้งโต๊ะหมู่บูชาท่านบอกก็ตั้งตรงไหนก็ได้แต่ท่านไม่ได้รารุ่นใหม่นะไม่ไปยึดติดในรูปตรงนั้นก็พยายามบังคับอ้อนวอนขอร้องขึ้นไปจนต้องไปดูให้แล้ท่านก็ไหวหว า, วาแล้วท่านบอกตั้งตรงไหนก็ได้ ขอช่วแต่งโทรทัศน์ให้ท่านบอกอ้ยทําไม่เป็นแต่ไม่รู้เรื่องใช้มิคูเลยใชม่คูเลยบังคับเข้าไปในห้องเข้าไปในห้องปับ๊บก็มีผู้หญิงอยู่ข้างในมันถ่ายรูปเลยทีนี้ซือพิมพ์ก็เล่นพาดหัวตัวไม้ก็เทือนกันใหญ่เลยแล้วคนไทยพระรูปนั้นเน่ะเวลาเนี้ยท่านไม่ได้ต้องอาบัตอะไรเลยท่านก็ไม่ยอมสึกใจสังคมไม่ยอมรับทนะ แล้วั่นก็อยู่แบบคนแก่คนหนึ่งก็นับวันจะตายนั่นคือกระแสสังคมแต่เช่นว่าความจริงนี่เป็นอีกอย่างหนึ่งเลยแต่ว่าสังคมเนี่ยมันไปใหญ่แล้วตลเหลือไปหายไปแล้วทีนี้ถ้าคนนั้นเป็นภรรยะแล้วไปด่าว่าก็เป็นบาปเพราะภรรยะจึงเราเมียดลใหมในเรื่องในเรื่องตรงนี้มากการท่านนีมันจริงๆมันเป็นสมบัตินะฮะ แต่ว่าเราอาจจะเป็นเหตุให้คนอื่นทำบาปคือท่านไม่ไทำบาปแล้วนะแต่อาจจะเป็นเหตุให้คนอื่นทำบาปและจากจุดนี้เองเราจึงพบว่าแม้ในการสอนธรรมะบางเรื่องสมบคนบางคนเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่สอนการที่ไม่สอนเนี่ยเพราะว่ามันจะมีปัญหาในด้านจิตใจของคนฟังเหล่านั้นเช่นสมมติว่าเรื่องอิทธิปฏิหารเนี่ยเราจะเห็นว่าจะไม่แสดงพร่ำเพรื่อ แสดงก็มีลักษณะผสมกลุ่มกลืนซึ่งคนไม่รู้เป็นการแสดงปฏิหารแสดงปฏิหารใหญ่ๆก็มีคราวเดียวนะฮะคือยมกปฏิหารเพื่อปราบปรา ม, ามเพื่อทรรมานอัญจจะดีรัตทั้งหลายเนี่ยตลอดทั้งพูดเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องเปรตเรื่องนสุ ร, รกายเรื่องพบภูมิต่างๆเนี่ยจะไม่พูดแก่คนทั่วไปมันจะพูดในเวทวงของคนที่มีพื้นฐานความรู้เรื่องเหล่านี้อยู่แล้ว จะถามมาทําไมล่ะมันเสี่ยงนะเราจะพบว่าคนที่มีความรู้สึกคนขนาดพระพุทธเจ้าเนี่ยมีทั้งคนรักเมย์คนทงังมีคนเฉยๆสัตว์โลกเขาเป็นเขาอย่างนั้นแหละมันไม่มีใครดีในสายตาของสัตว์โลกทั้งหมดหรอกเพราะงั้นพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้อนุเคราะห์ต่ อ, ตอชาวโลกเในสมมติพระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องนรกสุวรร์ต่อหน้าสาธารณชน คนเหล่านั้นยังไม่พร้อมที่จะเชื่อมันก็คนก็ออกไปเป็นถามจําพวกพวกหนึ่งก็คือเชื่อกระตุ้นเตือนให้ทำความดีโดยประการต่างๆแต่คนเหล่านี้ที่จริงไม่จำเป็นคืเทศเรื่องอื่นก็ได้แยกออกมาถ้าแยกออกมาแล้วก็เทศได้นะแต่ว่าถ้าเกาะกลุ่มกันอยู่ในคนบมูมมากเนี่ยมันจะไปกระทบคนอื่นคนพวกหนึ่งเนี่ยอาจจะเคลือบแคลงสงสัยเออจริงไม่จริงจริงไม่จริงมันก็มีเป็นโมหะ แต่คนคนคนกลุ่มหนึ่งซึ่งมีพื้นฐานไม่ชอบพระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยมันจะได้เหยื่อที่โอดช้าคือไปด่าว่าพระพุทธเจ้าไปด่าว่าพระพุทธเจ้าโกหกหลอกลวงก็ว่ากันไปเรื่อยไปทีเนี้ยเพราะอนุเคราะห์คนกลุ่มเนี้ยคนกลุ่มที่สามเนี่ยพระเจ้าจึงไม่แสดงดังนั้นถึงเลือกแสดงปาฏิหาริย์อะไรแต่ไรก็ตามถ้าเราลองสังเกตนะนั่นคือคือเรื่องของ พระมหากรุณาคุณแต่ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนและเม็ดละไม่ตอนรับผิดชอบต่อความรู้สึกนิคิดของสังคมอย่างที่ยกตัวอย่างไว้ในวันกรนเนี่ยว่าที่หนังสือพิมพ์หน้าบรรณาธิการทช่ด้วยนะที่บอกว่าไม่ได้ข่าวเรื่องจับพระสึกย์เนี่ยถามว่าถามให้เป็นข่าวทำอะไร พระเขาผิดวินัยของพระก็รู้กันในหมู่ของพระตำรวจผิดวินัยกันตำรวจก็รู้ในหมู่กันตำรวจแล้วจะไปประจานก็ททำไมจะไปซ้ำเติมก็ททำไมเพราะนั้นมนแสดงถึงความอาคติมารายซึ่งเราไม่ได้มีความอคติมารายอะไรกันแล้วมันไปกระจายความผิดให้แตะเพื่อนคนอื่นแล้วก็คนทั่วไปที่รับรู้เนี่ยมันจะมองสังคมสงแบบพระหมัว นะอย่างเวลานี่พวกนักการเมืองพวกข้าราชการประจำจะพูดเราก็พูดในสุพีมินท์ลงขาวไม่ตรงกันเลยว่าพระมีปัญหาอยูหกรูปบ้างสิบรูปบ้างสิบสามรูปบ้างสิบห้ารูปบ้างสิบหกรูปบ้างจุดถึงร้อยก็มีถ้าจริงทําไมตัวเลขมันไม่ตรงกันแล้วก็อ้างคนสัมภาษณ์คนเดียวกันด้วยนะ่แล้วคนที่ถูกอ้างเขาก็บอกเขาไม่เคยพูดเลยก็ไม่รู้ใครโกหกกัน่ย แต่ปัญหาว่าถ้าคนเดียวกันสัมภาษณ์ตัวเลขต้องตรงกันแต่ผลเสียที่เกิดขึ้นแล้วในศาสนานั่นคือคนที่สงสัยเป็นพระสงสัยเอานี่มันอยู่ในหนึ่งในร้อยหรือเปล่านี่หนึ่งอยู่หนึ่งในหกหรือเปล่าหนึ่งในสิบหรือเปล่าหนึ่งในสิบพระหรือเปล่าเห็นไหมฮะมันแพร่กระจายบาปโดยไม่มีความจำเป็นอะไรเลยคือคนที่เขารังเกียจบาปเนี่ยเขาไม่ทำ เพราะคนังเกตบาปเนี่ยเขาจะเมตตาต่อคนอื่นเขาจะกรุณาต่อคนอื่นถ้าเขาผิดก็ผิดเท่าที่เขาผิดมันไม่ไปขยายความผิดในแก่เขามั่จะกระจายไปสู่วงศาคนาญาติพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาซึงเป็นความคิดแบบฆ่าเจ็ดชั่วโคตรฆ่าเก้าชั่วโคตรแบบโบราณ คนที่มีวัฒนธรรมมีจิตสำนึกเนี่ยมีคุณธรรมอยู่ภายในเนี่ยเขาเขาคิดเขาไม่คิดอะแม้แต่คิดเนี่ยเขาไม่คิดนะเธอจะทำจิตอยู่ด้วยอุเบกขาในอารมณ์เรานอันนี้คืออะไรนี่คือปฏิจจสมุปบาทในกระบวนการที่เรียกว่าเป็นพฤติกรรมเป็นวิธีสังคมสมมติว่าเราเราเรา เราใช้อารมณ์ก็แสดงมันเป็นอวิชชามันก็เป็นสังขารือเป็นบาปเป็นบาปก็เป็นบิน ญ, ญาณบิญญาณบาปวิญญาณที่เก็บสะสมบาปเป็นนามรูปหมายหมายความว่าจิตใจของเราเนี่ยจะมองคนอื่นโดยจ้องจะผิดเดี๋ยนะฮะหมายความว่าภายในจิตเราเนี่ยมันก็มากไปด้วยบาปพออายตนะเห็นก็สันนิษฐานไว้ก่อนว่าคนชั่วสันนิษฐานไว้ก่อนว่าน่าจะอยู่ในพวกนั้นพวกนี้แล้วมันได้อะไรขึ้นมา มันก็กลายเป็นผัดสะเป็นทุกเวทนาเป็นปัญหาอยากจะแฉอยากจะแฉเบื้องหลังอยากแกอะไรแต่ไรเนี่ยเพราะคนทําสื่อเนี่ยอาจามาเคยไปบรรยายที่เดียวคณะนิเทศนิสอนก็ยากมากแต่ว่าที่มาอที่ออกการค้าที่เธอสมัครเรียนปรัชญาเนี่ยก็เคยอบรมหลายครั้งคยอบรมพวกนิเทศศาสตร์ที่จุฬาในครั้งเดียวคณะนิเทศ อธิบายเธอฟังว่าจิตเนี่ยจะต้องไม่เบียดเบียนถ้ามากไปได้วยวิหิงสาแล้วเนี่ยเป็นอาชีพที่สร้างบาปได้มากที่สุดแต่ถ้ามีจิตมีความยุติธรรมมีความสุจริตแล้วเป็นอาชีพที่สร้างบุญได้มากที่สุดเพราะเป็นธรรมทานเขาไม่จุดเปลี่ยนระหว่างความคิดของคนพวกนี้ยนะว่าจิตใจเรามันคิดยังไง แล้วมันเหมือนกันทั้งหมดเมือนกับพระเทศเหมือนกับครูสอนเหมือนกันอะไรแต่พูกสื่อสารเนี่ยพวกสื่อสารถ้าเธอทํำในพื้นฐานมาสุดจริตแล้วเนี่ยกระบวนการของปฏิจจสมบัติมันจะเริ่มที่วิชาวิชาของเป็นสังขารคือเป็นบุญจะเป็นบินยานคือการสัมผัสสิ่งที่เป็นบุญก็ไปไปเป็นแถวไปนะครเป็นกระแสของบุญพเพราะแนวการมอง เรื่องของธรรมะกับชีวิตเนี่ยจะต้องพยาไม่ได้ประโยชน์ไม่ใช่คิดไม่ใช่มองแล้วเกิดบาปเกิดโทษเกิดภัยเกิดอันตรายแกตัวเองและแกบุกคคลอื่นสัตบุรุษทั้งหลายจึงไม่ประมาทในบุญญกริยาทั้งหลายเพราะว่านั่นคือแสดงว่าชีวิตของเขาในเริ่มต้นที่ปัญญาเริ่มต้นที่วิชา